บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปการปฏิบัติตามหลักอนาปานาสติกรรมฐานนั้นพระพุมีพระภาคเจ้าทรงแสดงขั้นตอนแห่งการปฏิบัติเปรียบประดุลบันไดที่นำบุคคลผู้ก้าวขึ้น ขั้นบันไดนั้นๆั้นให้ขึ้นสู่ที่สูงไปโดยลำดับจนถึงที่จูที่อาศัยอันให้ความอบอุ่นปลอดภัยมีความสุขกายสบายใจหลักการปฏิบัติอาณาปานสติกรรมฐานก็ส่งแสดงไว้โดยทํานองนั้นโดยเริ่มต้นให้ บุคคลหาความสงบจากสถานที่ที่เรียกว่ากายวิเวกดังที่ได้กล่าวมาในตอนก่อนต่อแต่นั้นให้นั่งคู่บัลลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าคือมีสติตามรู้ลมหายใจเข้าและหายใจออกต่อแต่นั้น ลมหายใจจะหายใจออกข้าวยาวหรือสั้นก็าตามก็ให้ตั้งสติตามระลึกไปตามลมซึ่งปรากฏในขณะนั้นๆในข้อนี้ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อหายใจข้าวยาวก็วรู้ว่าขณะนี้เราหายใจข้าวยาวเมื่อหายใจออกยาวก็วรู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกสั้นซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าลมหายใจนั้นคงปล่อยให้เป็นไปตามปกติของลมหายใจคือหายใจอย่างไรก็คงหายใจไปอย่างนั้น แต่ในชั้นนี้ให้มีสติตามระลึกอยู่กับลมหายใจเข้าออกที่มีอยู่เดิมนั่นเองเมื่อสติตามระลึกอยู่ที่ลมหายใจทั้งเข้าและทั้งออกสติก็จะแนบอยู่กับลมหายใจไม่คิดออกไปถึงอารมณ์ภายนอกความสงบก็จะบังเกิดขึ้น การปฏิบัติโดยวิธีนี้บาลีท่านใช้คำว่าอนุบันธนาคือตามลงไปแต่ท่านที่ได้ประพฤติปฏิบัติจมจนสัมผัสผลคือความสงบเกิดขึ้นภายในจิตใจโดยอาศัยอ น, อนาปานสติเป็นฐานนั้นก็ได้ศึกษาโคนคว้า ถึงวิธีที่จะให้เกิดความสงบขึ้นจึงได้หาวิธีอื่นๆเข้ามาประกอบเพื่อให้คล้อยตามอัธยาศัยจริตของบุคคลที่ไม่เหมือนกันคือคนใดที่ตั้งสติตามระลึกถึงลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วเกิดความสงบก็ตามระลึกไปตามนั้น แต่บางคนอารมณ์นั้นเกิดไม่สบายหรือไม่เป็นสปายะแก่ตนก็อาจจะอาศัยวิธีอื่นเป็นหลักในการสร้างความสงบเพราะว่าหลักเหล่านั้นไม่ใช่เป็นตัวการสาคัญหรือตัวการที่มุ่งหมายของการประพฤติปฏิบัติอนาปาสติกรรมฐานแต่ความสงบระ ง, งับจากนิวรธรรมทั้งหลาย เป็นจุดปุ่งหมายในการเจริญสมถะกรรมฐานทุกข้อดังนั้นบุคคลจะอาศัยอุบายวิธีอย่างใดก็ตามที่ทำให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจได้วิธีเหล่านั้นก็ถือว่าใช้ได้ถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิตามสมควรแก่ขั้นแห่งการประพฤติปฏิบัติวิธีที่ท่านคิดค้นการขึ้นมานั้น เช่นว่าก็นานาคือการนับลมหายใจเข้าออกโดยนับเป็นชุดๆหรือว่าหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกประโทนและการตั้งสติระลึกอยู่ที่จุดซึ่งลมกระทบดังที่เคยกล่าวมาแล้วแต่และ ว, วิธีนั้นเกิดผลเช่นเดียวกันคือความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ ให้ลมหายใจเข้าออกจะปรากฏขึ้นเมื่อผ่านการประพฤตปฏิบัติมาพอสมควรแต่เรื่องของความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้หมายความว่าบุคคลจะต้องเร่งรัดให้เกิดขึ้ น, นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็คือตั้งสติตามระลึกอยู่ที่ลมอยู่ที่การนับอยู่ที่พุทโธหรืออยู่ที่จุดซึ่งลมกระทบนั่นเอง แต่ผลคือความสงบทางร่างกายและจิตใจจะเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติเหล่านั้นข้อนี้อุปมาเหมือนการทำงานในชีวิตประจำวันของคนเช่นการปลูกพืชของชาวนาของเกษตรกรทั้งหลายหน้าที่ของชาวนาก็คือไถนาหว่านกล้า รดน้าข้าวนาไขาน้าข้าวนาตามสมควรแก่โอกาสแต่ว่าข้าวจะตั้งท้องเมื่อไหร่ออกรวงเมื่อไรสุกเมื่อไรนั้นเป็นเรื่องของต้นข้ า, าวเจ้านาไม่อาจที่จะกะเกณบังคับให้เป็นไปาตามที่ใจตนปรารถนาได้เช่นใดการปฏิบัติอนาปานสติกรรมฐานห ร, หรือกรรมฐานข้ออื่นก็มีนิยมเช่นเดียวกันชนั้น ในเรื่องนี้อาจจะกล่าวโดยคำสรุปสั้นๆว่าการกระทำความดีเป็นเรื่องของคนแต่การให้ผลเป็นเรื่องของความดีหรือการปฏิบัติอาณาปานสติเป็นเรื่องของคนแต่การให้ผลเป็นเรื่องของอาณาปานสติที่บุคคลได้ลงมือฤติกระทามาโดยํำดำับ และเมื่อถึงขั้นนี้แล้วต่อไปลมหายใจเข้าออกก็จะมีความเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็ทรงสอนให้บุคคลตั้งสติตามลึกถึงกองลมคือที่เกิดของลมที่เกิดของลมนั้นอยู่ที่ไหน ข้อสาคัญว่าลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกบุคคลกระทบลมคราวแรกในช่วงใดในจุดใดก็ให้เข้าใจว่าต้นลมอยู่ตรงนั้นคือลมเกิดตรงนั้นจะในขณะที่หายใจเข้าลมอาจจะกระทบที่ปลายจมูกช่องจมูกหรือดึมผีปากก่อนก็ถือว่า นี้เป็นที่เกิดของลมเวลาหายใจออกมาลมจะก่อตัวตามความรู้สึกที่บุคคลสามารถสัมผสัสได้ไม่ได้เคร่งครัดในหลักของสรีระวิทยามากนักก็คือมีความรู้สึกว่าลมตั้งขึ้นเหนือนาพีขึ้นมาก็กำหนดรู้กองลมอย่างนี้ ลักษณะกำหนดรู้ของลมสองจุดคือจุดที่หายใจเข้าและหายใจออกนั้นเปรียบเหมือนการที่บุคคลจะขีดเส้นบรรทัดโดยมือเปล่าหรือแม้จะมีไม้บรรทัดอยู่ก็าตามได้แก่การลากเส้นจากจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่งถ้าหากว่าผู้ลากมีจิตใจสงบไม่วอกแวกไปภายนอก เส้นก็จะตรงกว่าปกติแต่ถ้าหากว่าจิตใจคิดถึงภายนอกหรือว่าตาไปมองอีกที่หนึ่งมือก็ขีดไปไม่ใส่ใจถึงเส้นถึงจุดที่จะลากให้ถึงกันหรือไม่ใส่ใจใส่ใจถึงเรื่องของไม้บรรทัดเป็นต้นเส้นก็จะไม่ตรงการตั้งสติตามระลึกดูกองลม ทั้งสองช่วงอย่างนี้คือช่วงที่หายใจเข้าและหายใจออกนั้นก็ทาให้สติของบุคคลผู้ปฏิบัติไม่พรากไปจากกองลมเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปกองลมก็จะละเอียดข้าวละเอียดข้าวจนถึงบางครั้งบางคราวคล้ายๆกับว่าลมหายใจจะหายไป แต่แท้ที่จริงแล้วลมหายใจนัน้นยังคงมีอยู่ข้อนี้ท่านแสดงไว้ว่าถ้าผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกว่าลมหายใจของตนหายไปจะได้ตกใจจะได้ตื่นเต้นจะได้หวาดกลัวแต่ให้ตั้งสติระลึกอยู่ที่จุดซึ่งลมเคยกระทบนั่นเองไม่ได้คิดขวายคว้าหาลมจากที่อื่น ลงเกิดในที่ใดดับในที่ใดก็จะเกิดในที่นั้นจะดับในที่นั้นอีกท่านอุปมาไว้ว่าเหมือนกับนายโคบานที่ปล่อยโคของตนให้เที่ยวไปแล้วโคเกิดหายไปจากฝูงนายโคบานจะต้องตั้ ง, งข้อสังเกตเอาไว้ว่ า, วาโคของตนเคยไปดื่มน้ำที่ท่าไหน ก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นไปรอคอยอยู่ที่ท่าซึ่งโคเคยเดืม่มแล้วจะจับโคของตัวได้จิตนั้นอุปมาเหมือนโคที่หลุดออกไปจากฝูงซึ่งจะต้องตามหาให้เจอลมหายใจก็มีลักษณะอย่างนั้นที่หายไปนั้นไม่ได้หายไปที่ใดแต่เป็นเรื่อง ความละเอียดของลมที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติที่ผ่านขั้นต่อมาโดยลาดับถึงสี่ขั้นพอถึงขั้นที่4ความเปลี่ยนแปลงก็ปรากฏขึ้นดังที่กล่าวแล้วแต่มักจะมีปัญหาแก่ผู้ปฏิบัติก็คือว่าเมื่อไปประสบเรื่องเหล่านี้เข้าผู้ปฏิบัติมักจะตกใจหวาดกลัว แล้วก็เลิกบำเพ็ญเปลี่ยนเสียในขณนะนั้นในชั้นนี้ท่านสอนให้มนสิการคือทำไว้ในใจโดยอุบายแยบคายป่๊ตามปกติแล้วคนที่ไม่หายใจนั้นก็มีอยู่ไม่กี่ประเภทเช่นทารกในคัน์คนกำบังดับน้ำคนตายหรือคนที่ข้าวิโรถสมาบัติตัดสัญญาเวทนาเป็นตน้น แต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในบุคคลประเภทเหล่านั้นเพราะฉะนั้นลมหายใจจะต้องมีอยู่ใจก็คงระลึกจูดในจุดที่ลมเคยกระทบและลมหายใจก็จะปรากฏขึ้นค่อยๆปรากฏขึ้นเรื่องความแรงความอ่อนของลมหายใจเข้าออกนั้นแท้ที่จริงแล้วเราก็ดูกันได้ในชีวิตประจำวัน พยายามใดที่ร่างกายต้องใช้พลังมากหรือว่าตกใจมากในขณะนั้นลมหายใจก็แรงแม้ เ, เหนื่อยมากก็ทำหนองเดียวกันแต่ว่าในขณะใดที่ลมหายใจไม่อยู่ในการควบคุมเช่นว่ากำลังนอนหลับไม่ได้มีการควบคุมลมหายใจบางคราวลมหายใจก็แรงจนถึง เป่งเสียงออกมาก็มีแต่ด้วยการปฏิบัติอนาปานสติกรรมาธนั้นได้ควบคุมลมหายใจป่าโดยลำดับมีความละเอียดมีความประณีตเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอาการเปลี่ยนแปลงของลมดังที่กล่าวก็ปรากฏขึ้นได้ในตอนนี้ทรงแสดงไว้ว่าให้กาหนดรู้ กายสังขารหายใจเข้าให้กำหนดรู้กายสังขารหายใจออกคำว่ากายสังขา น, นั้นคือสิ่งที่ปรนปลื้ร่างกายของบุคคลให้ดำรงอยู่ได้เกลมหายใจเข้าออกคราวนี้ผู้ปฏิบัติจะเห็นได้ว่าร่างกายของบุคคลเรานั้นแม้จะบกพร่องอะไรไปบ้างก็ตาม แต่ถ้าหากว่าลมหายใจยังมีอยู่ร่างกายก็ชื่อว่ายัางดำรงอยู่แต่ในตำนานจงกันข้ามถ้าหากว่าอวัยวะเหล่าอื่นไม่มีอะไรพิรุธปกปร่องแต่ลมหายใจขาดกายก็ดำรงอยู่ไม่ได้เพราะกายขาดสิ่งที่ปลนปลือหล่อเลี้ยงมันได้แก่ลมหายใจเข้าออกเมื่อบุคคลกาหนดดู ความเปลี่ยนแปลงของลมโดยในยะนีมสมาธิคือความสงบก็จะบังเกิดขึ้นโดยลำดับชั้นแรกนั้นความสงบชนิดที่ปรากฏขึ้นเป็นวูบหนึ่งวูบหนึ่งหรือขณะหนึ่งอาจจะเพียงนาทีสองนาทีสามนาทีไม่มากนะักแต่ก็ถือว่า เป็นความสงบที่แปลกใหม่กว่าที่เคยพบในชีวิตประจำวันความสงบในลักษณะนี้ท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิคือเป็นความสงบที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะเมื่อบุคคลได้สัมผัสกับความสงบแันทะคือความพอใจในความสงบก็จะบังเกิดขึ้น ปรารถนาที่จะสัมผัสความสงบซึ่งยิ่งขึ้นไปกว่านั้นต่อจต่นั้นความเพียรพยายามก็จะปรากฏขึ้นมุ่งมัน่นที่จะให้ตนได้สัมผัสความสงบที่สูงขึ้นประนีตขึ้นกว่าที่สัมผัสอยู่ในขณะนั้นๆธรรมะคืออาตาปีที่เรียกว่าความเพียเพรเผากิเลสให้ร้อนก็จะมีกำลังสูงขึ้น ช่วยให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเสริมสร้างสัมปชัญญะและสติให้มีปริมาณสูงขึ้นเช่นเดียวกันและเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปไม่ทอดทิ้งความเพียรเสียในระหว่างปาใจัยใส่ที่จะสวจสอบสิ่งซึ่งเกิดขึ้นเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาที่ควรแก่การแก้ไข ดยไปบ่อยพยายามใช้ปัญญาเพ่งพินิษพ์จิจนาก็จะแก้าทางเดินของจิตให้ดำเนินเข้าสู่ความสงบ ป, ประเภทที่เรียกว่าอุปจาระสมาธิคือปริมาณความสงบสูงขึ้นตัวอย่างเช่นบุคคลนั่งสมาธิเวลาหนึ่งชั่วโมง ถ้าหากว่าความสงบเกิดขึ้นสองสานาทีก็ถือว่าขณะนั้นเป็นคณิกะสมาธิแต่ถ้าหากว่าความสงบเพิ่มขึ้นเป็น10นาที12นาทีก็เรียกว่าเป็นอุปจาระสมาธิและความสงบที่สัมผัสหนึ่งเป็นการตัดกระแสะอารมณ์ภายนอกออกไป แม้ว่าในขณะนั้นจะมีเสียงมารบกวนก็ตามแต่เนื่องจากจิตของบุคคลรับรู้อารมณ์ในขณะเดียวได้เพียงอย่างเดียวในขณะนั้นจิตอันประกอบด้วยสติแนบแน่นอยู่กับลมจึงไม่ไปรับอารมณ์ภายนอกบุคคลจะเห็นคุณค่าของความสงบมากยิ่งขึ้น กระบวนการแห่งธรรมะคือมีความพอใจเป็นต้นก็จะมีปริมาณสูงขึ้นเช่นเดียวกันต่อแต่นั้นความสงบก็จะเพิ่มขึ้นที่เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิคือสมาธิอันแน่แน่สมาธิที่แน่แน่นั้นหมายถึงว่าเช่นว่านั่งกรรมฐานหนึ่งชั่วโมงอาจจะสงบได้ถึง20นาทีหรือ20บกว่านาที บางคนอาจจะไปได้ถึง4ี่หนาทีถ้าหากว่าปฏิบัติมาเป็นเวลานานหรือว่าจิตใจไม่มีเครื่องหมกมุ่นขังวนเป็นปัญหาอยู่บ้างความสงบก็จะเกิดขึ้นได้เร็วพ้นเหล่านี้ในชั้นของปริยัตคือการแสดงการศึกษาเราเรียนดูคล้ายๆกับว่าจะไม่เป็นเรื่องยากเย็น แต่แท้ที่จริงแล้วผลทั้งหมดนั้นจะต้องอิงอาศัยปัจจัยทั้งที่เป็นภายในและทั้งที่เป็นภายนอกปัจจัยภายนอกที่สาคัญก็คือว่าบุคคลจะต้องไม่มีเครื่องกังวลซึ่งบาลีใช้คบว่าปริพธุธไม่ได้เนียวนึกอะไรให้กลายเป็นปัญหาทางใจเช่นนั่ง กรรมฐานอยู่ก็เป็นห่วงประตูบ้านเป็นห่วงเด็กเป็นห่วงญาติเป็นห่วงการงานเป็นห่วงเรื่องที่จะทำในโอกาสต่อไปเป็นต้นโอกาสที่จะสงบมันก็มีไปได้การทำใจให้สงบเป็นสมาธิก็ดีการพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานก็ดีจึงมุ่งเน้นอยู่ที่ปัจจุบันธรรม เรื่องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามซึ่งไม่มีส่วนเกื้อกูลแก่ความสงบทางจิตใจบุคคลจะต้องพยายามสลัดให้ออกไปให้ได้แม้ไม่ได้ถาวรก็ในขณะที่ทำความสงบจู๋ถ้าหากว่าตัดปริโพอดกังวลในอดีตออกไปได้ในอนาคตออกไปได้ทำใจให้สงบจู่ในปัจจุบันจริง ก็ชื่อว่าปัจจัยภายนอกเข้ามาสนับสนุนแต่ว่าในขณะที่ปฏิบัติสติที่ระลึกอยู่กับอารมณ์จะต้องไม่พลากหรือไม่ขาดจากอารมณ์ที่กำลังระลึกอยู่ดังที่ท่านอุปมาไว้ว่าจิตนั้นเหมือนกับลูกโคที่กำลังสน ตัวอารมณ์ของกรรมฐานในที่นี้ก็คือลมหายใจเข้าออกเปรียบเหมือนหลักสติเปรียบเหมือนเชือกที่ล่ามคอลูกโคเอาไว้แล้วก็ผูกกับหลักคืออารมณ์ของกรรมฐานบางครั้งบางคราวลูกโคลก็จะดิ้นจนเชือกขาดไปแต่เจ้าของโคจะต้องจับเชือกมาต่อกกันเข้าอีก และต่อการจนโคนั้นเลิกดิน้นเหนื่อยข้าวก็จะนอนอยู่ใกล้ๆหลักนั่นเองผู้ปฏิบัติกรรมฐานก็พึงปฏิบัติโดยเนยะเช่นเดียวกันยามใดที่จิตเกิดิน้นก็ต้องผูกแกไว้ด้วยสติแต่เมื่อสติขาดคือระลึกไม่ทันหรือตามไม่ทันก็ต้องพยายามตอา่อไปขาดอีกก็พยายามอีกขาดอีกก็พยายามอีก แล้วเมื่อเหตุปัจจัยอำนวยให้พอสมควรความสงบทางจิตก็จะเกิดขึ้นโดยนยะที่ได้กล่าว ม, มาแล้วความเพียรพยายามในการปฏิบัตินี้ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าอย่าไปเล็งผลเลิศดเกินไปว่าฉันทำกรรมฐานมาแล้วก็ควรจะสงบแล้ว คนระดับที่บำเพ็ญบา ร, รมีมามากๆ ม, มีอุปนิสัยแก่กล้าสามารถบรรลุอรหัตในภพในชาตินั้นได้บางท่านยังต้องใช้เวลาถึง4ี่สปียีส้าปีก็ไมมีภิกษุณีท่านหนึ่งตั้งแต่บวชมาเลยนั่งกรรมาฐานเป็นเวลาถึง25หปีใจไม่เคยสงบ แม้แต่ช่วขณะนั้นแต่ท่านมีความเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในการสรุปของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนนาปานาสติก ร, รมฐานเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงเจริญก่อนการสรุปเป็นบันไดขั้นแรกที่นำพระพุทธเจ้า เข้าสู่ความเป็นอรหันตสมาสัมธธุทธท่านเชื่อมั่นอย่างนั้นและเชื่อมั่นว่าด้วยความเพียรพยายามของตนเองเนี่แม้จะผ่านการเวลามามากก็ตามแต่โอกาสหนึ่งความสงบจะต้องเกิดขึ้นท่านไม่ยอมเลิกละความพยายามและในที่สุดใจของท่านก็สงบ เวลาสงบก็สงบได้อย่างรวดเร็วจนบรรลุอรหัตได้ในวันนั้นกรนี้ผู้ปฏิบัติพึงเห็นบ้างการทำงานอะไรของคนเราก็ตามบางครั้งมันมีติดอยู่บางเรื่องไม่เข้าใจในจุดนั้นอย่างที่คนไทยพูดกันว่าเส้นผมบางภูเขา แต่เมื่อใช้ความเพียรพยายามหาความเข้าใจในแง่มุมต่างๆพอเกิดเข้าใจได้จะกลายเป็นความเข้าใจที่ทะลุโปร่ปปงไปเลยเพราะอะไรเพราะปัจจัยที่จะเสริมส่งให้เกิดความเข้าใจนั้นบุคคลได้เก็บได้สะสมไว้เป็นเวลานา น, านแล้วยังนําออกมาใช้ไม่ได้แต่นั้นเอง แต่เมื่อเจาะทะลุสิ่งที่เป็นความมืดที่เป็นกำแพงขวางกัน้นออกไปได้ปัจจัยเหล่านั้นก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจสิ่งเหล่านั้นในแง่มุมต่างๆวางากว้างไกลออกไปฉันใดก็ดีจิตใจของบุคคลที่ลงมือประพฤติปฏิบัติในอนาปานสติกรรมฐานก็ เป็นเช่นเดียวกันฉะนั้นแท้แต่จริงแล้วความสงบทางจิตนั้นบุคคลได้เก็บได้สะสมมาเป็นเวลานันแต่เนื่องจากชีวิตและสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่มีส่วนในการเสริมส่งให้เกิดความสงบจิตจึงไปว้าวุ่นอยู่กับอารมณ์เหล่านั้น แต่เมื่อบุคคลมาเดินตามวิถีทางที่ทรงแสดงไว้โดยการพยายามตัดเครื่องกังวลต่างๆให้ออกไปทำใจให้สงบจู่ที่ปัจจุบันอย่างที่ทรงใช้คำว่าให้เห็นประจักษ์ชัดในจุดนั้นๆไม่ว่าในจุดของการทำความสงบหรือในจุดของการใช้ปัญญาปิณิพิจนาก็ตาก็จะผ่านขั้นตอน แห่งการประพฤติปฏิบัติมาโดยลำดำับบางครั้งเวลาแสดงนั้นจะทรงแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนที่บุคคลจะผ่านถึงส6กขั้นเดยแต่ทั้งนี้หมายความว่าถ้าเดินถึงขั้นอย่างนั้นก็จะกลายเป็นความสงบในชั้นของกายในชั้นของเวทนาในชั้นของจิตและในชั้นของธรรมะ แต่บางแห่งทรงแสดงไว้เพียงสี่ขั้นคือเมื่อจิตมันสงบได้ในจุดนั้นสมาธิมีกาลังแก่กล้าพอพร้อมที่จะใช้ปัญญาเข้าไปพินิพิจารณาโดยดูที่ลมหายใจเข้าออกเป็นเบื้องตน้นพยายามหาความเข้าใจถึงความจริงจากจุดที่ตนเกี่ยวข้องอยู่ก่อนคือลมหายใจเข้าออก ดูให้เห็นสภาวะที่แท้จริงของลมหายใจเข้าออกแล้วโยงเข้าไปหาสิ่งอื่นในโอกาสต่อไปในชั้นนี้คือหลักของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งที่เชื่อมต่อกันแล้วก็หนุนช่วยกันระหว่างกรรมฐานทั้งสองคือสมถกรรมฐาน กรรมฐานเป็นอุบายสงบใจและวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นอุบายในการที่จะเสริมสร้างปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหยซึ่งจะได้กล่าวในโอกาสต่อไปต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสรบต่อไป